แต่หลวงพ่อก็มาได้งดอาหารมาฉันอาหารเสร็จแล้วไปถึงตอนบ่ายหลวงพ่อก็ตรวจตรวจเลือดน้ําตาลแต่ว่าเนี่ยไตกิจสลายไตยกิจสลายสูงมากเลยส <laughs> ามร้อยสี่สิบเก้าไตกิจสลายหลวงพ่อนี่ยสามรอยเจ็ดสิบเก้า คอเลสเตอรอลหนึ่งรกิไตรกจลยอารยสี่คอเลสเตอรอลตามที่หมอเขาเล่าอธิบายให้ฟังเขาบอกว่าคอเลสเตอรอลมันอยู่ในมันอยู่ในเลือดทาให้เลือดข้นทาให้เลือดข้นน้ามันอยู่ในเลือดทาให้เลือดข้นไปเลี้ยงสมอง ไปเข้าหัวใจทําให้เหนืดนะพอมันข้นมันก็ต้องเนืดธรรมดาละพอมันเป็นน้ามั น, มนอยู่ในอยู่ในเม็ดเลือดนะคอเลสเตอรอลแต่ไตกิดสลายเนะี่ยแปว่าท่อเลือดนะเส้นเลือดนะมันมีอะไรเกาะฝาผนังเกาะผาฝาผนังเส้นเลือดน้ํามันน้ํามันตะิดเกาะฝาผนังเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดแคบน้ำไหลไม่สะดวกแล้วก็ทําให้เส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในหัวใจตีบเพราะว่าน้าน้ำมันไหลไม่สะดวกแนวตะกันมันเกาะอยู่ข้างฝาผนางังเหมือนกับท่อน้ําท่อน้ําที่เป็นท่อน้ําเหล็กน้ํามันจกกระป๋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 เอามาผึกเอามาพาดหนหลวงพ่อกลัวเพราะเหตุไรเพราะช่วยตนเองไม่ได้ใช่ไหมรู้หมดทุกอย่างเอเขาถามหามเข้าห้องน้ำมอ่งถามเหตุไปโน่นหามเหตุไปนี่นเวลาขี้แตกเกี้ยวราดจะช่วยตนเองไม่ได้เอเขาต้องหามเขาต้องเช็ดผลลัพสุดใหม่ๆเขาก็ดีหรอกต่อไปเขาก็จะด่าให้หลวงพ่ออีกเหมือนกันนะเะพราะเหตุไรเพราะตัวเองช่วยตนเองไม่ได้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 มันด้วยเหตุอันใดนเราฉันอันไหนมากนานะก็ต้องได้สังเกตนใช้คำว่าเป็นกระจกเงาปก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วก็เอื้อมอมาพึกเอามาพึกอา ม, า พ, กอามาพาดอามาพาดอันนั้นก็เธอเผื่อมันเป็นแล้วไม่ต้องตำหนิใครนะถ้าเรากลัวว่าจะเป็นเอามาพึกอามาพาดเราก็ต้องระวังเรื่องอาหารจะไปเห็นแก่ปากแก่ท้อง เอาเมื่ออายุมากแล้วเราก็ต้องระมัดระวังแต่หลวงพ่อก็ระวังอยู่นะแต่ไม่ลงมันขึ้นไปตัวไหนอแต่เขาเออกมามันก็สลองจัดทาของเขาเอาเนยกวนมาเอาฉันบงางเนยเข็มเออชันบางผลละไม้มาก็ชั้นบางแต่มันหลายบังทีเลยน้ําอัตบานกับั้นบางกระลุนแล้วจะเป็น เครื่องพอกผูนไตกิดสลายที่เขาพูดนะแต่ก่อนเขาให้ฉันผักผัก ผ, กผกลไม้ให้มากแต่ผลไม้บางตัวก็ทําให้ไตกิดสลายขึ้นได้สรุปแล้วก็คือระมัดระวังชีวิตของเราไม่มีใครที่จะดูแลชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเรา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 มันก็ทํายากอีกเหมือนกันทาให้ทานเฉ่เดีวมันก็หิวพอทานก็ไปหน่อยเดียมันก็อ้วนออันนี้ก็ไตที่สลายหรือคอเลสตรอลของเราคุกทุกคนก็ควรจะระมัดระวังเหมือนกันน่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัวที่สุดก็คือเอามาพึกเอามาพาดกลัวอมามพาดจะมากเอามาพึกเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเส้นเลือดตีบ จะทําให้สุขภาพยําแย่ช่วยตนเองไม่ได้ตัวที่ว่าช่วยตนเองไม่ได้จุดนี้แหละน่ากลัวถ้ามันตายปอกไปเลยมันก็ไม่มีปัญหาเพราะมันตายไปแล้วจบไปแต่ถ้ามันไม่ตายใหม่ๆก็ดีลูกศิษย์ลูกหาพี่น้องลูกหลานพยาบาลแต่ต่อไปมัน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 เหมือนกับใส่ใจดีแต่พอรับหลังเนี่ยก็โชคโหกหากอกูบาอาจารย์กับมนุษย์จะทํำยังไงนอนตาเลื่อมอยู่แม่แม่แต่รู้หมดทุกอย่างรู้เรื่องหมดทุกอย่างที่เขาไม่พอใจแต่มนุษย์จะทํำยังไงจะตายมันก็เป็นตายจะหายมันก็ไม่หายเป็นภาระของลูกน้องบริวารแต่มองลูกน้องบริวารเนี่ยแต่ต่อหน้าคนก็ดี แต่พอรับหลังคนอีกอย่างหนึ่งเพราะเหตุไรเพราะาลูกน้องบริวารเป็นคนมีกิเลสเป็นคนมีกิเลสเพราะนั้นการที่จะพูดการที่จะแสดงออกของลูกน้องมันก็นั่นแหละมีปัญหาสรุปแล้วก็คืออย่าเป็น อมมาพิกก็อมมาพลานดีที่สุดแต่จะทํายังไงจึงไม่เป็นอมมาเพิกอมมาพาดก็ต้องนี่แหละนวัดระวังอย่างที่หมอเ้าบอกกล่าวสาเหตุที่จะเป็นอมมาเพิกอมมาพาดมีมีดังต่อไปนี้นะ น, นี้เราก็ต้องฟังฟังเขาเป็นกระจกเงาอย่างที่ดิพูดที่หลวงพ่อดิพูดะนั้นพวกเราทุกคนนะอันนี้ก็คือรักษาสุขภาพ รักษาให้ดีที่สุดสรุปแล้วก็คืออย่าให้เป็นภาระของลูกของหลานของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดถ้าเรารักษาดีพอสมควรแล้วก็มันสุดฟิสัยก็คือนั่นคือกรรมกรรมในอดีตของเราอดีตของเราตะก่อนก็คงจะเคย ุบหลังงูบ้างเออเห็นงูก็ดท้อนทุบหลังงูเห็นหมาก็ค้อนทุบหลังหมาจนเอียวลากคนอื่นเจ็บไม่เป็นไรแต่ตัวเองมาเจอกับตนเองเข้ า, ขาขกรรมแต่แมันตามสนองผลในสุดคืขาลากเลยช่วยตนเองไม่ได้แต่ทุกวันนี้คอยยังชั่วยอยู่นะ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 พอแต่งานลูกชายแล้วกับแม่ก็ตายพ่อแม่ป่วยตายธรรมดาละแม่พ่อแม่ตายแต่ในลูกพ่ อ, องคงจะคิดหนักนะก็อยู่กับลูกสะภ้ยลูกชายแต่ต่อมาลูกชายก็มีลูกอีกได้ลูกได้หลานปู่คุณปู่ได้หลานแต่ต่อมาปู่ป่วยป่านปู่เป็นอัมพาตอย่างที่ว่าน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 มาเลี้ยงครอบครัวทำไร่ทำนาทำวัวทำสวนตามภาษาบ้านนอกแต่ก่อนมันต้องไปคนเดียว เ, เลี้ยงสี่ชีวิตต่อมาก็สองคนไปเลี้ยงสี่ชีวิตผลี่สุดท้งลูกชายนะเนี่ยลูกชายเอตายก็ไม่ตายหายก็ไม่หาย รักษาเท่าไหร่ก็เท่านี้แหละถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยตายดีกว่าว่ถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายให้หมดจบไปดีกว่าจะมานอนจมกองขี้กองเยี่ยวอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างเราน่ะตายดีกว่าคิดแล้วคิดอีกเอคิดอย่างไรก็ตายดีกว่ า, ว า, า, วาพ่อเขออาคงอยากจะตายเหมือนกันลนะมัง้งอ่ะ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 คำขำมาพอคนมันเงียบใช่ไหมอยู่บ้านนอกคนเงียบในกลางคืนเงียบเก็บไม่มีอะไระพ่อก็เลยบอกว่าลูกลูกชายห น, นุ่มวันนี้มาเอาพ่อในเตรียมตะกร้ากับไม้คานหามมาแล้วงั้นนะมากับวางไว้ข้างๆพ่อะป่ะยกขายกขาปูเดี๋ยวพ่อจะยกทางรักแร่ทาง พ่อก็ยกถังลักแล้หลานชายก็ยกขาขาปู่ม้วน ล, ลงใส่ตะกานะใส่ตะการ์เสร็จแล้วก็หาไม้คานมาสอดเข้าไปเลยกัไปหามลูกชายก็ไปเดินหน้าลูกชายก็หามลงจากบ้านเน่ก็เดินหน้าเดินไปก็พอพ่อยไปซ้ายไปขวาก็าไปตามที่พ่อสั่งอะ่ะไม่รู้ ลูกชายก็ไม่รู้ถามไปอะไรเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะแต่ว่าพ่อสั่งไปทันนั้นก็ไปทางนั้นน่ะพ่อก็ไปทางนนไปทางสะพานที่น้น้ำมันไหลเซี่ยวที่มันน้ำคลองข้างข้างหมู่บ้านพอไปพอถึงสะพานน่ะพอไปถึงสะพานกลางสะพานอา้าววางลูกชายก็เอาลงจากบ่าวาง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 ถ้าเป็นอย่างพ่อเนี่ยตายดีกว่าเพราะนั้นวันนี้พ่อจึงถามปู่มามาโยนลงคลองเนี่ยนะโยนลงห้วยเนี่ยที่น้ำไหลเชียวเนี่ยไปซะหมดพบหมดชาติเป็นอย่างนี้มันลำคาญตัวเองก็ลำคาญตัวเองตายดีกว่าทางลูกชายก็ทาทางงง ง, งงเหมือนกันโู้ทำไมพ่อคิดขนาดนี้ว่า ล, ลูกชายก็เลยถามึ้นหมอ พุณพ่อไอ้ตกกนะการน่จะโยนลงไปด้วยไหมหรือจะเอาตะปูโยนลงไปตะ ก, กาเอาไว้ใช่ไหมหรือจะจ ะ, จะโยนจะโยนตะปูลงไปอา้าวจะไว้ทำไมตกกนะกาโยนลงทั้งหมดเลยสิยกขึ้นไปแล้วก็โยนลงเลยจะตะแก่จะไว้ทำไมตกกนะการทางลูกชายก็บอกว่าถ้าต่อไปภายภ า, ยภาคหน้าเนะี่ยผมไม่รู้จะสารตะ ก, ก้าเป็นหรือเปล่า ผมอยากจะเอาตะกร้าไปนี้ไว้ถ้าคุณพ่อเป็นอามาภพกอมภพาดต่อไปภายภาคหน้าผมกับลูกชายจะได้หามคุณพ่อมาโยนลงในคลองเหมือนกับคุณพ่อทําเลยเนาะฮะตั้งผู้พ่อเนี่ยคือึง่งปะป ะ, ปะหามกลับหามกลับทําไมละพ่อเดี๋ยวกรรมตามสนอง <laughs> เดี๋ยวกรรมตามสนอง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 ฉะนั้นขอให้พวกเรานะลูกหลานทุกคนนะให้ดูให้รักษาสุขภาพเท่าที่จะรักษาได้ถ้ามันกรรมจริ ง, รงๆก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันนะั่นแหะแต่หลวงพ่อเนี่ยกลัว น, ก ล, วนกลัวเอามาพึกเอามาพลาดอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะ ว, วันนี้เป็นวันที่ส8บปดพฤษภาคมพุทธศักราช2อ5 7นหะ้าสิบเจ็ดเป็นเดือนพฤษภาคมแล้วก็ รุ่นนี้หลวงพ่อจะได้ไปเทศนะไปแสดงธรรมที่เซนท่านชั้นสี่เขานิมนต์แต่หลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันนะั่นแหละเราไม่น่าจะออกไปทํามจริงชุมชนสังคมท่านผู้ว่าท่านกรมาผู้และท่านอาจารย์อยากจณิมนต์ท่านอาจารยา์าารไปนั่นนะเพื่อพี่น้องชาวอุดรแต่หลวงพ่อมาพิจารณาดูแล้วออื พระผู้ใหญ่ก็หมดไปหมดไปมันก็นมาถึงตาของเราแล้วเราก็ควรจะให้ความสำคัญกับลูกกับหลานกับาญาติศรัทธายาตโยมของชาวเมืองอุดรเราก็ควรจะมีอะไรก็ควรจะไปพูดพูด ส, พสัมโอภาปาศัให้แนวความคิดสำหรับพี่น้องชาวอุดรจักนิดจักหน่อยก็จะดีมากหลวงพ่อก็เลยรับนะแล้วก็วันนี้แหละเวลาบ่าย บายโมงไปถึงแนะบ่ายสองโมงอาจจะประมาณนี้แหละถ้าคนพร้อมเราก็คงจะแสดงทำบ่ายโมงบ่ายสองโมงนี่แหละที่เซนทันวันนี้เพราะนั้นหลวงพ่อคงจะสิบโมงกว่าคงจะออกเดินทางไปเข้าไปอุดอรละวันเนะียอัลลอพรนท่านนื้ออนะุ โ, นโมทนาให้พร